นักบตัสสะพวะโตอรหตโตสมมาสมบุทัสสะนักบตัสสะพวะโตอรหตโตสมมาสมบุทัสสะนบตัสสะพวะโตอรหตโตสมมาสมบุตัสสะติหัง สามังจริยะจิตตังเจนะนิวรารเยปเดปเดวิสีเดยะสังกับานังวาสานุโคตีนั่นงตามสบายกอนุบุตนา ภพูที่เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมอานาปานสติครั้งที่ส8่การปฏิบัติธรรมนี้มันเป็นเรื่องดีเรื่องจำเป็นเรื่องสำคัญ เรื่องที่ต้องทำแต่ว่ายากมันยากตรงไหนยากตรงที่มันฝืนใจฝืนกิเลสฝืนความรู้สึกฝืนภาระฝืนจากความปล่อยวางเรใจเราเนี่ยโดยปกติมันก็จะไปตามเรื่องของเขา ตามสิ่งที่รัดรึงตามสิ่งที่ร้อยรัดตามสิ่งที่เป็นธรรมชาติของเขาแต่พอเราจะมาปฏิบัติรร ม, มันก็ต้องปลดปล่อยในเรื่องที่กิเลสถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเราต้องปล่อยวางในสิ่งที่มันเป็นภาระเราจะต้องห่างต้องปลี่ยกายปลี่ใจออกมาจากบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันเป็นเรื่อง เรื่องยากแต่มันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นเรื่องจําเป็นมันเป็นเรื่องที่ต้องทำสมัยที่ <c oughs> พระพุทธเจ้าเองอยู่มีเทวดาตนหนึ่งได้มามองเห็นภาพของคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมพร้อมกับตรวจสอบกิเลสในใจของตนเองของเทวดานะ พอฟงธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้ววิธีการขัดเกลาจิตเทวดาตอนนั้นก็ไปปรบกับพระพุทธเจ้าว่าดุกกรังดุกติดติคิดท่านจะอัป บ, บายาเตนะสามันยังบอกว่าธรรมของพระสมณะเนี่ย <c oughs> คนไม่ฉลาดเนี่ยทำได้ยากทนได้ยากทิวดาว่าแล้วก็ว่าต่ออีกบหูหิตัทธะสัมบาตาเพราะว่าทำของสมณะเนี่ยมันลำบากมันลำบากมาก บาฮุหิตัทธะสัมบาติแปลว่าทำของสมณะนี่มันลําบากมากพระพุทธเจ้าว่าต่อกับเทวดาว่ากติหังจริยะสามัญยังว่าทำของสมณะใครประพฤติทำของสมณะสักกี่วันกี่วันก็ตาม จิตตังเจนะนิวารายัางถ้าไม่ยับยั้งจิตไม่ยับยั้งความคิดฟังไอ้นีนะถ้าไม่ยับยั้งจิตไม่ยับยั้งความคิดประเดประเดวิสีโดยยัสั้งกับปานังวาซานุคโคจิตก็จะตกอยู่ในอํานาจของความคิดและจะติดขัดทุกๆอารมณ์ พุเจ um. Un ้าตอบกับเทวดาเทวดามันตสงสัยมานั่งดูแล้วก็ดูใจตัวเองด้วยว่าจะปฏิบัติจะจะเป็นยังไงถามพระพุทธเจ้าปรึกษากับพระพุทธเจ้านะปรารภกับพระพุทธเจ้าว่าลุกกรังลุกกระติดติกิจท่านจะติดขั้นจะอภัยเตนะสัมยังบอกว่ารำของสมณะนี่คนไม่ฉลาดจริง ทำได้ยากทำลําบากเพราะธรรมของส ม, มณะนี่มันลําบากมากมันยากมากยัถาบาโลวิชีดติคนไม่รู้คนโง่คนผานจึงติดขัดรียกว่าเป็นที่ติดขัดของคนผานของคนไม่รู้ของคนโง่พระพุทธเจ้าเลยตอบย้อนกลับว่าตาตีฮังจะเรยะเรามันยังบว่า คนเนี่ยจะปฏิบัติธรรมประพฤติสามัญญธรรมหรือประพฤติปฏิบัติธรรมสักกี่วันกี่วันก็ตามจิตตังเจนะนิวารเยถ้าไม่ถ้าไม่ยับยั้งจิตไม่ยับยั้งความคิดปะเดปะเดวีซิเดยะสังกัปปานังวะซาลุคโคมันก็จะตกอยู่ในอำนาจของความคิด แล้วก็จะติดขัดทุกๆอารมณ์พระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นทีนี้คําว่าความคิดความคิดที่เราพูดถึงเนี่ยเรียกว่าความคิดที่เป็นอกุศนนะความคิดที่เป็นอกุศนว่าเราปฏิบัตริรทำทําไมจเจริญสติทําไมนั่งสมาธิทําไมเดินจงกรมทําไม ก็เบื้องต้นละเพื่อให้จิตมันมีกำลังสำหรับที่จะไปยับยั้งความคิดเพราะถ้าจิตไม่มีกำลังมันยับยั้งความคิดไม่ไหวเพราะความคิดของเรามันถูกปรุงแต่งด้วยอนานาจของกิเลสชาติคือมันชอบไปหมดแล้วมันจึงปรุงแต่งออกมาเป็นความคิดขึ้นมาที่จิตของเราทีนี้อยู่ๆเราจะไปยับยั้งเนี่ยมันยากเหมือนคนที่ เดินท่ามกลางทะเลทรายกระหายน้ำแล้วก็ไปเห็นน้ำเข้ามันจะตักน้ำมาดื่มมากินอยู่ๆจะไปยับยั้งเนี่ยมันยากเพราะว่ามันปรุงกันไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วมันจึงจะต้องอาศัยกาลังกําลังในการที่จะช่วยให้เกิดการยับยั้งความคิดได้นั่นก็คือสติสมาธิและก็ปัญญา ท่นจะถามว่าเราจะรือนสติทําไมเรามาอาคารทําดีรุ่งโรดกันทําไมเนี่ยมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมกันเพื่ออะไรมันก็เบื้องต้นนะ่ะท่านทั้งหลายจะต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันได้แต่เขาถามเพื่ออะไรถามตัวเองว่าเราทําเพื่ออะไรคําตอบแรกที่ท่านจะต้องตอบตามที่พระพุทธเจ้าตอบกับเทวดานี่แหละ ครูเจ้าว่ากตีหั่งจเจรุยะยศมันยังจะปฏิบัติธรรมกี่วันก็ตามเรียกว่าท่านตั้งนั่งกี่วันก็ตามละเดินจงกรมกี่วันก็ตามเข้าโครตรปฏิบัติกี่วันโครตรเดือนโครตรสัปดาห์โคตรปีเขาแล้วแต่เลยจิตตัเฑนะ์นะนิเวดวารเยมันจะต้องเอ่อถ้าหากว่าปฏิบัติธรรมแล้วไม่ยับยั้งความคิดเนี่ย จิตตั้งเจนะนิวระเยถ้าไม่ยับยั้งความคิดปะเดปะเดวีซีโดยยะวัสานุโคสังกับปานังวัสานุโคจิตก็จะตกอยู่ใต้อำนาจของความคิดและจะติดขัดทุกๆอารมณ์คำว่าติดขัดทุกๆอารมณ์หมายความว่าถ้าความคิดที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นอกุศลนั้นก็จะมีกำลังท่วมทับจิตอืม คำว่าติดขัดก็หมายความว่าเราไม่สามารถที่จะยับยั้งความคิดอันเป็นอกุศล น, นั้นได้อกุศลมันก็จะมีกำลังและก็ขับเคลื่อนอยู่ที่จิตของเราไปเรื่อยๆครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่ามันสำเร็จเป็นอกุศลครั้งหนึ่งมันก็ทับถมรวมตัวกันเป็นอาสวะเป็นวัตฏะหมุนวนไปจากอากุศล น, นั้นก็ให้ส่งผลให้เป็นกรรมเป็นวิบาก จากวิบากก็ามากลายเป็นกิเลสจากกิเลสก็เป็นกรรมจากกรรมก็เป็นวิบากจากวิบากรรก็เป็นกิเลสจากกิเลสก็เป็นกรรมจากกรรมก็เป็นวิบากเรียกว่าหมุนวนอยู่นั่นแหะแต่มื่ใดที่อกุศลมันเกิดขึ้นที่พระพุทธเจ้าว่าเนี่ยเราปฏิบัติธรรมทํำไมคําตอบแรกที่ท่านจะต้องตอบให้ได้คือปฏิบัติธรรมเพื่อหนยับยั้งความคิดนี่แหละคำตอบแรก ภาษาบาลีคือคือจิตตังเจนิวารเยพอยับยั้งได้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ตกอยู่ในอํานาจของความคิดจิตไม่ตกอยู่ในอํานาจของความคิดมันก็จะไม่ติดขัดในทุกๆอารมณ์ที่นี้การยับยั้งความคิดเนี่ยเราจะทำอย่างไร ในส า, สามเดือนมานี่อันตมามจะเน้นเรื่องเหล่านี้เพราะว่าเป็นผลจากผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันพระพุทธเจ้าว่าจีรังวาญาดีวาติดตัง้งนิสินโดอุดอ ด, ดวาวสยังว่าเราเดินก็ตามยืนก็ตามนั่งก็ตามหรือนอนอยู่ก็ตาม ถ้าความคิดอันเป็นอกุศลอันอาศัยกายใจนี้เกิดขึ้นพอความคิดอันเป็นอกุศลที่อาศัยกายใจนี้เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นได้เราไม่ได้ยับยัง้งนะท่านว่ากุมมักขังปติปันโดโซนั่นเรากำลังหลุดออกนอกเส้นทางออกนอกเส้นทางของผู้ที่ชื่อว่าปฏิบัติธรรม ออกนอกเส้นทางของผู้ที่จะเข้าไปสู่ดำเดินตามกระแสของมรรคออกนอกเส้นทางของผู้ที่จะมีโอกาสเข้าสู่มรรคถูผลออกนอกเส้นทางของผู้ที่จะไปสุขติเรียกว่ามันตัดไปหมดเลยเส้นทางนี้ถ้าหลุดออกนอกเส้นทางแล้วเหมือนเราจะต้องไปเชียงใหม่ตีตั๋วรถไฟเรียบร้อยแต่ว่าพอขึ้นรถไฟไปแล้วเนี่ย ไม่ทันไปถึงไหนก็เดินลงเถอะหรือขึ้นสายขาบวนผิดด้วยสำคัญว่าไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยพระเจ้าเรียกว่ากุมภังคังปฏิปันโดโจโนเนี่ยพวกนี้เดินผิดทางแล้วพอเดินผิดมันก็ยิ่งไกล ย, ยิ่งไกลาจากเป้าหมายที่เดินพระพุทธเจ้าว่าโบหะเนยเยสุมุชิโต พวกนี้ก็จะชุ่มแจ่มหมกบุ่นอยู่ในอารมณ์อันเป็นไปภายใต้อํานาจของโบหะนี่แค่เราปล่อยให้ความคิดไม่ดีสำเร็จขึ้นที่จิตของเราโดยที่เราไม่ได้รู้เท่ารู้ทันเราไม่ได้เห็นโทษเห็นภยัยเราไม่ได้มีสติสมาธิปัญญาไปยับยั้งความคิดเหล่านั้นได้เนี่ยแค่นี้มันก็ยิ่งนำเราออกนอกเส้นทาง แล้วก็พาจิตของเรานี่ให้ตกอยู่ไปใต้อำนาจของโบหะไปเรื่อยๆความหลงความเพลินความหนาแน่นเนื่องในวัฏฏะที่มันหมุนวนอยู่นั้นก็จะยิ่งเข้มแข็งขึ้นโอกาสที่จะขัดเกลาเส้นทางของตนเองเพื่อเข้าไปสู่เส้นทางอย่างน้อยๆก็ไปสุคติและพระพุทธเจ้า ว, ว่า ถ้าอำนาจของอกุศลที่เกิดขึ้นที่จิตของเราเกิดขึ้นคราใดสําสเร็จทุกครั้งเกิดขึ้นคราใดแล้วก็สําเร็จเกิดขึ้นคราใดก็สําเร็จบุคคลคนนั้นเหมือนถูกขังไว้ในนรกเพราะฉะนั้นถ้าคำถามเรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วก็สิ่งแรกที่จะต้องตอบก็คือว่าการปฏิบัติธรรมของเราเพื่อยับยั้งความคิดอันเป็นอกุศลเป็นเบื้องต้นให้ได้ ตามที่พระพุทธเจ้าท่านประรกไว้ตามที่ท่านตรงพยากรณ์กับเทวดาซึ่งผู้สงสัยเทวดาแกสงสัยดิเพราะว่าการปฏิบัติธรรมมันยากนะเทวดาว่านะเพราะจิตเราโดยปกติแล้วนี่มันอยูกหุ้มอ่ออยู่อำนาจของกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอตัวที่มาเพ่นพ่านอยู่ในชีวิตประจาวันของเราคือนิวรที่เราเรียกกันว่านิวรณนินวร์นะ นิวณ์นี่มันเป็นอุปกิเลตแห่งจิตมันเป็นเหมือนกับทหารเป็นทหารกล้าของกิเลสที่อยู่ดานหน้านั่นนะเทวดาตระเวนไปทั่วทุกเรื่องแหละแจกก็ไปหมดไอยนิวณ์เนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเรียกว่ามันอยู่กับจิตของเราที่เคลื่อนไหวอยู่นั้นเป็นสัญชาตญาณเราไม่สามารถที่จะ ทำอะไรเขาได้เลยถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ปฏิบัติเราไม่สามารถที่จะทำอะไรกเขาได้แม้เราปฏิบัติแล้วพาจิตเข้าไปดุกูกับความบริสุทธิ์แองจิตได้แล้วแต่มันยังมีอำนาจอยู่มันเป็นทหารกล้าเป็นทหารกล้าของอาสวะออกมาเป็นพานอยู่ มือเราจะยกมือเราจะยกเท้าเราจะจับเราจะเคลื่อนเราจะเดินเราจะนั่งเราจะยืนเราจะนอนเราจะอยู่ในอิริยาบถใดๆเราจะไปทางานส่วนตัวไปทางานในหน้าที่ไปทางานในอาชีพเราจะขับรถเราจะทําอะไรก็ช่างทุกๆขณะของการเคลื่อนไหวเขาจะเคลื่อนไหวกับเราโวยธรรมชาติของเขา อี่ถ้าเราไม่ไ ป, ปฏิบัติธรรมสุขของเราที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งแต่ละครั้งของวันก็เกิดด้วยอำนาจของนิวรความเลิดเพลินยินดีที่เกิดขึ้นของเราในแต่ละครั้งแต่ละวันก็เกิดขึ้นด้วยอำนาจของนิวรณ์ไม่สามารถที่จะทำกับเขาได้ด้วยวิธีอื่นใด บางครั้งนิวรณ์บางตัวก็ถูกแก้ไปบางตัวเช่นว่าความ ง, ว ง, ง, ง่วงงงเหานอนถ้าได้ดูหนังดูละครแล้วมันไม่ง่วงเอเรียกว่าเอ า, เอ า, เ, อาเอานิวรณ์นั่นแหละคือให้ชีวิตจมอยู่กับนิวรณ์นั่นแหละเบื่อกับนิวรณ์ตัวไหนอ้าวอยู่บ้านวันนี้กลางวันนอนไม่ได้เพราะรอแขกแต่ว่ารอมีธุระมีคนจะมาหา นะครับแต่ว่าหลับไม่ได้ง่วงมากหลับไม่ได้ทำอย่างไรดีเอาเอาซีรีส์มาดูนั่งดูซีรีส์เพื่อที่จะรอให้คนมาหาเรียกว่าก็อเอานี่วนนั่นแหละมักเหลือกัวหมกมุ่นอยู่กับนี่วอนอย่างเดียวเรียกว่าทั้งวันใ น, นระหว่างวันอยู่กันอย่างนั้นและมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันเป็นวัฏฏะที่หมุนวนอยู่อย่างนี้เราไม่รู้ พระพุทธเจ้าจึงบอกว่ายัตถาบาโลวีซีดติมันจึงเป็นที่ติดขัดของคนโง่ความว่าการที่จะทันลุกเข้าไปให้ปฏิบัติธรรมเข้าไปแล้วให้ไปอยู่ในเส้นทางอันควรอันควรแก่ความสุขนั้นเป็นปัจจุบันอันควรแก่ความเส้นทางที่ไปสุขติอันควรแก่การเข้าสู่กระแสของมรรคอันควรแก่การเข้าสู่กระแสของพระนิพพาน กระแสะของมรรคก็คือปุตุชนอย่างเราๆท่านๆ น, นี่แหละแค่เห็นค่าของศีลเห็นค่าของการปฏิบัติดํารงจิตไม่ให้ไหลไปกับอกุศลนี่เรียกว่าเป็นผู้อยู่ในกระแสะของมรรคแต่มันไม่ใช่เป็นมรรคแต่เมื่อได้เข้าสุมรรคแล้วเนี่ยเขเรียกว่าเป็นกระแสะของพระนิพพานตั้งแต่ประโสดาบัณขึ้นไปนั่นแหะแต่เราจะเป็นยังไงก็ช่าง เราจะต้องอยู่ในเส้นทางให้ได้เพราะว่าถ้าออกนอกเส้นทางแล้วอย่าว่าแต่มรรคหรือผลเลยแม้แต่สุขติมันก็ไปได้ยากนั่นแหละเทวดามันก็จึงมาถามกับพุทธเจ้าสงสัยเหลือเกินดุกกะรังดุติติขั้นจักอภยเตนะสามัญยังวะ ทำของสมณะนี่คนไม่ฉลาดทำได้ยากดุกติติดขั้นจะนี่ว่าทนได้ยากลุกกระรังทําทำได้ยากดุกติดติดขั้นจะนี่แปลว่าทนได้ยากทนยากยิวดาแปว่าวาฮูหิสัมบาธาเพราะว่ามันลำบากมากสัมบาธาแปลว่าลำบากบาฮูนี่ก็มากเพราะว่า การปฏิบัติธรรมของสมณะเนี่ยมันลำบากมากยัตถะบาโลวีที่ดติจึงเป็นตีติดขัดของคนโง่เทวดาว่าไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งว่าแต่ว่ามันเป็นของดีของสำคัญของจำเป็นของชีวิต เราไม่สามารถที่จะไปเห็นว่ามันด e kind of mm ีอย่างไรจำเป็นอย่างไรสำคัญอย่างไรถ้าเรายังเดินอยู่ภายใต้อำนาจของความหลงอย่างเดียวถ้าเราอยู่ใต้อานาจของความหลงอย่างเดียวมันก็เห็นแก่นิวรณ์นะเห็นแก่นิวรณ์เห็นแก่ของเราเห็นแก่ของเราตัวเราของเราตัวชันของฉันพวกฉ <Hayır. S 2> ัน ลูกฉันแม่ฉันพ่อฉันน้องฉันสามีฉันภรรยาฉันคือเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างไปหมดโดยไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันเป็นอนิจจังโดยไม่รู้สึกเลยว่ามันพิบัตเสื่อมสิ้นแปรป่วนโดยไม่ได้เคยรู้สึกสักนิดเลยว่ามันไม่เป็นสาระไม่เป็นอัตตามันเป็นอนัตตาอ น, นอนิวรมันจึงยิ่งให้เราเพลิดเพลินลุ่มหลงยึดอยู่กับสิ่งซึ่งไม่ใช่ เที่ยงแท้แน่นอนว่ามันเป็นถิ่งเที่ยงสิ่งซึ่งเสื่อมสิ้นพิบัติแปรปรวนว่ามันเป็นถิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงแปรปรวนสิ่งที่ไม่มีสาระไม่มีอัตตาเลยว่ามันเป็นอัตตาเรียกว่ามันแย้งต่อสั จ, จธรรมนิวรนี่ข้อที่เขาทางานได้ผลที่สุดคือเมื่อเกิดขึ้นกลุ่มรุมจิตของเราแล้วเนี่ยมันจะทำให้จิตของเราเนี่ยแย้งกับสัจธร แม่บางครั้งฟังเทศแล้วอ่านหนังสือแล้วไปไหนก็แล้วแหละเคยได้ยินได้ฟังมาว่าอานิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนความไม่อยู่ในอำนาจฟังและก็เข้าใจแต่นี่วอนที่มันเกิดขึ้นกลุ่มรุมจิตนั้นจิตมันแยงต่อสิ่งเหล่านั้นแล้วไม่ได้เคยรู้สึกเลยว่าจิตแยงเพราะมันแย้งเต็มร้อยเปอรเซ็น มันมีฉันทะในความแย้งพระพุทธเจ้าบอกว่าพัพะรูปวัดิสติมันปรากฏมาปรากฏเป็นรูปเป็นร่างไปหมดทุกอย่างมันปรากฏเป็นรูปเป็นร่างเป็นเนื้อเป็นตัวคนรุ่นใหม่จึงมักจะไม่ค่อยเอาใจใส่ในทางการปฏิบัติเพราะอะไรเพราะเขาเรียนรู้ในสิ่งต่างๆในฐานะที่เป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอัน มองไม่ไปเห็นมองเข้าไปไม่ถึงถึงความเป็นอนิจจังมองเข้าไปไม่ถึงความเป็นทุกขงังมองเข้าไปไม่ถึงในความเป็นอนัตตาเราเอาอนิจจังทุกขังอนัตตาไปพูดของคนที่คลั่งคล้ายในวัตถุนิยมนั่นเขาก็หาว่าเราบ้าหาว่าเราพูดจาสิ่งอั ป, ปมงคลหาว่าเราพูดจาคร่าครึลาหลังไม่ทันสมัยเรียกว่าไม่เป็นคนโมเดิร์นอะไรเนี่ย เขาหาว่าเราเป็นคนแบบนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยเพราะว่าวัตถุนิยมเทคโนโลยีทั้งหลายเหล่านี้มันประเลาบโลมจิตด้วยอำนาจของนิวรบอกให้พวกเขารู้ว่าพระพระรูปโอวัดิสติว่าสิ่งทั้งหลายปรากฏเป็นรูปเป็นร่างเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเนื้อเป็นตัวแต่สาวสิ่งเหล่านี้จะมองเข้าไปไม่เห็นของความเป็นจริงที่ชื่อว่าสัจจ แต่เราไปพูดถึงความไม่เที่ยงพูดถึงความเป็นทุกขพูดถึงเรื่องของอนานนต่าเมื่อใดนะจะมีปัญหากับคนพวกนี้แล้วทีนี้คนพวกนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เขาไปเจอกับสัจจะที่นําทุกขมาให้เขาสัจจะที่นําทุกขมาให้เขาก็คือว่าไอ้สิ่งที่เขาเข้าใจว่าเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นชิ้นเป็นอันเป็นรูปเป็นร่างนั้นน่ะสุดท้ายแล้วมันไม่เที่ยงนะความไม่เที่ยงปรากฏ ปรากฏแบบไหนปรากฏโดยความเปลี่ยนแปลงแปรปลวนการปรุงแตง่งมันเปลี่ยนแป่งไปเรื่อยพอเปลี่ยนแต่งไปเรื่อยจากสิ่งที่เคยถูกใจมันกลับไม่ถูกใจออจากสิ่งที่ดีกลับไม่ดีจากสิ่งที่เคยเพลิดเพลินมันกลับไม่เพลิดเพลินพอมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เ <c ustom cat> ข, ข, ข, ขาจึงเป็นทุกข์พอเขาเป็นทุกข์เขาไม่ได้มีความรู้ถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าเข้าไปไม่ถึงสัจจะเขาจะไปไหน เขาเขาไปหาไอ้สิ่งอะไรล่ะที่มันรวดเร็วทันใจเอา้าสามวันอีกอาทิตย์หน้าจะสอบแล้วจะทํำยังไงดีเนี่ยเอาหาตัวช่วยที่ไหนล่ะก็ต้องไปโน่นแหละที่กลางเอราวัณโน่นพระพรหมบั่งตรีมูมั่ง <c oughs> ไปที่ไหนที่ไหนที่มันรวดเร็วฉับพลันเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างเป็นชิ้นเป็นอันของเขานี่เป็นสัญชาติญาณอย่างนี้ เราก็เลยเห็นเห็นสำนักเข้าจงเห็นสำนักอะไรต่างๆที่มันวิเศษวิโสก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือสําหรับที่จะนําพาคนเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าพาโลไอที่ไม่ใช่ที่เทวดาเรียกว่าพาโลยัตถาพาโลวิสีติ น, น, นะนะเทวดามันว่าพาโลแปลว่าคนโง่คนโง่นี่มันเยอะนะ คนโง่เนี่ยมันมีตั้งแต่อ่านหนังสือไม่ออกไม่รู้หนังสือจบป .4 ก็โง่จบป .6 ก็โง่จบปม .1 ก็โ霍จบมัธยมต้นก็โง่จบมัธยมปลายก็โง่จบปริญญาตรีก็โง่โทก็โง่เอกก็โง่เป็นดอกเตอร์ศาสตราจารย์กุโก็โง่หลายๆใบก็โง่รวมอยู่ในพาโลหมดถ้าไม่มีความรู้เข้าถึงสัจจะทิวาเนี่ยเพราะว่ามันจะเหมือนกันนะ มันจะเหมือนกันนั้นท่านไปดูเด้อตามที่ต่างๆที่ขาบอกว่าจอมปลวกศักดิ์สิทธิ์ที่นั่งเอาอทูปไว้ในมือนั่งประดมมืออธิษฐานนานๆนะ่ะยิ่งถ้าว่าความรู้สูงสูงเป็นดอกต้งด็อกเตอร์นี่นะบทมันเยอะบริบทมันกว้างมันก็ต้องนั่งอธิษฐานนานๆนะเรียกว่าโง่เหมือนกันหมดนั่นแหละเพราะอํานาจของนิวรณ์ทั้งนั้นนะ่ะนี่แหละอานาจของนิวรณนะ์น่ะ เทวดาเขาบอกว่ายัตถบ า, าลาวิชีณติจะเป็นที่ติดขัดของคนโง่คําว่าติดกัดคือมันหยุดอยู่ตรงนั้นมันทะลุกออกไปไม่ได้ปัปะประรุโรปวิสติสําคัญว่าเป็นรูปเป็นร่างเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นชิ้นเป็นอันเข้าไปไม่ถึงสัจจะสทีสเสร็จแล้วก็ต้องยอมและก็จมอยู่กับความทุกข์และทุกข์ที่เกิดก็ไม่ได้ทุกข์ที่ไปส่งเสริมให้เกิดความรู้เห็นโทษเห็นภัย แต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นกลับเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วทําให้หมกมุ่นชุ่มแจ้จมอยู่ในห่วงอารมณ์ที่ตกเป็นทาสของโมหะไปเรื่อยๆเรียกว่าวัตตะที่หมุนวนอยู่ในจิตนั้นมันหนาขึ้นทุกขณะไม่ว่าสุขหรือทุกข์มันหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นถ้าจิตยังไม่ทะลุเข้าหาสัจจะที่พระพุทธเจ้าตรงค้นพบ คนนี้มันจึงเป็นเรื่องยากในการปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างที่เทวดาปรารุบพระพุทธเจ้าจึงตอบแล้วก็วันนี้เราก็ฟังธรรมกันโดยพอประมาณนะเอาเรื่องราวของเทวดาเทวดาก็ปปาปรารุบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยตอบไปฟังแล้วพระพุทธเจ้าตอบพระบาลีบทนี้ต่อเนื่องกันนะพระพุทธเจ้าตอบอย่างนี้ขอย้ำกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งว่า กตีหังงจรยะสทามันยังบุคคลจะประพฤติ ร, รมกี่วันก็ตามหมายความว่าคนโง่นะคนโง่จะประพฤติ ร, รมกี่วันก็ตามจิตตังเจนะนิวารเยถ้าไม่พึงหักห้ามจิตจากอากุศลไม่พึงหักห้ามไม่พึงยับยั้งความคิดที่เป็นอกุศลได้ <c oughs> ปะเดปะเดวิสีเดติ สั่งกับปานังวัดซาุนโคจิตก็จะตกอยู่ใต้อำนาจของความคิดแล้วก็จะติดขัดอยู่ทุกๆอารมณ์แล้วพระองค์ก็ตรัสต่อว่ากุมโบวะอังคานิสเกกาลาเปสโบดาฮังปิกุมโนวิตักเกออนิสิโตอัญยมาเฮทยาโนปรินิพุโต นัอุ ป, ปะวะโดยยากันจิพเจ้าเลยตรัสว่าให้ตําเหมือนกับเต่าที่หดอวัยวะทง่าเข้าไปในกระดองเพื่อหลบภัยเนี่ยเหมือนบุคคลยกจิตของตนเข้าสู่อารมณ์อันเดียวให้มั่นด้วยสติเพราะเมื่อยกแล้วเนี่ย อนิสิโตจิตก็จะไม่เป็นตัณหานิสัยจะไม่มีทิฏฐินิสัยจะไม่มีมานะนิสัยขณะที่จิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวนั้นอัญญะมะเอทยาโดจะไม่เบียดเบียนใครปรินิพุตโตจะเข้าสู่ความสหบ นักป่าวโดยยกัญจิจะไม่ว่าร้ายใครพระวิจาว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในการที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมมันจึงจะต้องตอบคําถามแรกให้ได้ว่าเราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเราปฏิบัติธรรมสิ่งแรกที่ท่านทั้งหลายต้องทําคือต้องยับยั้งความคิดให้ได้ถ้า กำลังที่จะยับยั้งความคิดที่เป็นอกุศลอันเกิดขึ้นนั้นไม่ได้เราปฏิบัติให้ตายก็ไม่ได้อะไรถ้ามันไม่กระทบแล้วไม่พอใจในขณะที่เราเดินอยู่เกิดสิ่งกระทบและเราไม่พอใจเพราะไม่พอใจเราไม่เห็นความไม่พอใจอันนั้นเราไม่เห็นความหุญหิดอันนั้นและเรายับยั้งความบุญหินอันนั้นให้หายไปไม่ได้ แต่เรากลับปล่อยให้เขาเคลื่อนไหวจนสำเร็จกิจคำว่าเคลื่อนไหวในสำเร็จกิตก็นี่หมายความว่าถ้าขณะที่เราได้ยินเสียงหรือเห็นและเราเกิดความไม่พอใจไม่พอใจนั้นมันเกิดครบรอบที่จิตของเราแม้เราไม่ได้เอ่ยปากด่าไม่ได้แสดงกิริยาอะไรที่ไม่พอใจออกไปให้เขารู้แต่การเกิดขึ้นในจิตมันสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วคือจิตโผล่ ผูกจบไปแล้วจบไปว่าโกรธเขาแล้วจบเลยเอผูกแล้วต่อไปเห็นคนนี้ทีใดมันก็จะมีความไม่พอใจออกมาได้ยินเสียงนี้ทีไรมันก็จะไม่มีความพอใจออกมาความไม่พอใจที่ออกมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งสําเร็จกิจเป็นอกุศลขึ้นที่จิตไม่สามารถที่จะจบได้ด้วยความยับยั้งแต่เราปฏิบัติธรรมเพื่อเอาสติสมาธิขึ้นมา ให้เป็นตัวดูรู้เห็นว่าขณะนี้ความไม่พอใจเกิดขึ้นที่จิตจิตไม่ได้ส่องออกไปข้างนอกเพื่อหาผู้ซึ่งถูกไม่พอใจเช่นเราเกิดได้ยินเสียงของนายกอและเราไม่พอใจนายกอจิตจะไม่ไปใส่ใจในายกอจิตที่มีสติและสมาธิจะไม่ใส่ใจในายกอแต่จะมองเห็นความไม่พอใจที่เกิดขึ้นจิตรู้โทษของความไม่พอใจที่เกิดขึ้นนั้นว่ามันเป็นอกุศลมันเป็นความคิด อันเป็นบาปที่อาศัยกายใจนี้เกิดขึ้นเคลื่อนไหวขึ้นที่จิตมันเป็นถังกับปะามันเป็นความดํารีที่เคลื่อนไหวอยู่ที่จิตมันเป็นแมวความไม่ดีมันเป็นตัวก่อพบตัวก่อชาติเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันจะขังเราไวาใ้ในนรกเราเห็นความดํารีอันนี้ที่เป็นอกุศลนี้เกิดขึ้นด้วยกาลังของสติและสมาธิทีรกฝึกฝนเราไม่เอากับเขาถ้ามันปรุง ถ้ามันตกอยู่แต้มนาจมันปรุงมันก็จะแสเออกไปถึงสิ่งที่ถูกไม่พอใจเช่นว่านายกอเป็นอย่างไรดีไม่ดีมันก็ลามออกไปหาเพื่อนหาพี่หาพ่อหาแม่หายาธหาอะไรของนายกออะไรที่เกี่ยวกับนายกอไม่ว่าจะเป็นหมวกเป็นเสือ้อเป็นรองเท้ามันไม่พอใจไปหมดมันบานปลายออกไปอย่างน้นแต่จิตที่เป็นสติกับสมาธิที่มองเห็นแล้วมันไปหยุดอยู่ตรงที่ความไม่พอใจ เห็นความไม่พอใจที่เกิดขึ้นเคลื่อนไหวเป็นอกุศลมันเห็นเป็นโทษพอเห็นเป็นโทษปั๊บมันก็จะหน่ายแล้วมันก็จะเอาให้อกุศลตัวนี้แหละดับไปแล้วก็รู้สึกสะดุ้งหวาดกลัวรู้สึกสะดุ้งหวาดกลัวคือมันเป็นโอตับปะขณะที่มีความอกุศลเคลื่อนไหวขึ้นที่จิตจิตมีความสะดุ้งต่ออกุศลนั้นนนมันเป็นโอตับปะคือเป็นความสะดุ้งกลัวมันใคร่ที่จะยกจิตออกไปจากอกุศลและขับ ไล่อกุศลที่ตั้งอยู่ที่จิตนั้นให้ออกไปจากจิตไอความใคร่อันนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงยกตรัตขึ้นมาเป็นประโยคต่อมาว่ายาาะทากุมโบวะอังคานินะสเกกะลาเปยโบระหัง่งพิกุมโนวิตาเกปินตน้นว่าเมื่อมีความดำริอันเป็นอกุศลคือความคิดเป็นอกุศลเกิด ข, ขึ้นที่จิตแล้วเราทําอะไรไม่ได้อกุศุนยังตั้งอยู่ เราใคร่ที่จะออกไปให้จากอกุศลต้องการให้อกุศลตนางบนั้นยกจิตเข้าไปสู่อารมณ์อันเดียวด้วยสติอบันเตยเย ว, วังสักังจิตตังสติยาระมะเดดันหังเนี่ยไอ้ ก, กล้าสําหรับที่จะทําแบบนี้เรียกว่าเป็นนักปฏิบัติชั้นดีเนี่ยนักปฏิบัติชั้นดียังต้องกล้าที่จะทําอย่างนี้แต่ถ้านักปฏิบัติท่านได้ ปฏิบัติแล้วพอมีความอากุศลเคลื่อนไหวขึ้นที่จิตก็ปล่อยให้อกุศลมันสําเร็จกิจในจิตของตนไออย่างนี้ยังมันเป็นนักปฏิบัติชั้นดีไม่ได้อันนี้เป็นไม่ได้พระพุทธเจ้ายังเรียกว่ามันเป็นบุคคบุรุษอยู่คือยังยังเข้าไม่ถึงสิ่งที่เป็นสาระแค่เป็นเบื้องต้นนะโอเคเป็นเบื้องต้น เพราะจะัดการเห็นภัยของอกุศลของความคิดที่เป็นอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในเบื้องต้นของผู้ปฏิบัติธรรมอย่างพวกเราต่อไปนี้เราก็เตรียมพร้อมสำหรับที่จ ะ, จะเจริญสมาธิกัน